วันนี้เป็นวันมงคลที่ว่าเป็นวันมงคลนี้นะไม่เจอเราเลิกยามไม่เจอเราเลิกผานาทีแต่เป็นเพราะว่าพวกเราได้มาร่วมกันทำความดีพระเจ้าจัดว่าทำความดีเมื่อไหร่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 กับที่นี่แล้วก็ที่ปัตตานีทองเพราะว่าผู้คนเป็นร้อยเป็นพันนะมาร่วมกันนะวางถั่วนะวางถัวทั่วภูเพื่อฟื้นฟูฟป่าภูหลงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเดือนหนึ่งก็มีไฟไหม้ใหญ่นะผู้คน จากทั่วสารทิศได้ข่าวก็ส่งทั้งกำลังใจแล้วกำเงินมาช่วยดับไฟหลายคนก็ขับรถมาจากกรุงเทพบ้างจากต่างจาังหวัดบ้างเพื่อมาช่วยดับไฟดับไฟเสร็จจะวางทั่วเพื่อคุมย่า ให้เป็นเชื้อไฟแใ ห, หน้าแรงก็มากันหลายมากันโดยที่ไมมีพิธีรูปตอนนะอันนั้นแหละต้องคือวันมงคลนะที่ได้เกิดขึ้นกับที่นี่วันนี้นะก็เป็นวันมงคลเช่นกันนะแต่เรามาในวันนี้ก็มีพิธีนิดหน่อยนะเพราะว่า ปลาลบในโอกาสที่มีการทอดกระถินะ่การทอดกระถิ่งเป็นงานบุญที่ชาวพุทธไทยเรารู้ดีว่าเป็นงานที่เป็นงานบุญที่ทำได้ยากวัดหนึ่งเนี่ยก็จัดงานได้เพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีนะจัดบ่อยๆก็ไม่ได้ไม่เหมือนองานบวช ไม่เหมือนอการถอยสารทานทำได้ทั้งปีแล้วก็ทำได้เฉพาะเวลาที่จำกัดก็คือ1ืเดือนหลังออกพรรษานี่ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์มีเวลาที่จะทอดกระถินอีกแค่สามอาทิตย์เท่านั้ น, นสิ้นสุดวันลอยกระทง หลายท่านก็ไปร่วมบุญที่วัดภูเขาทองมาแล้วเมื่อวันซืนที่วัดป่าสุขกโตเมื่อวานแล้วก็มาวันนี้นะแต่ก็ดูไม่ได้เ ห, น, เหนื่อยอะไรทุกคนที่มาวันนี้นะก็มาด้วยความเอ่อเรียกว่า อิ่นท้องแล้วก็อิ่นใจนะเมื่อเช้านี้ก็อิ่นท้องนะเพราะว่ามีญาติโยมผู้มีศรัทธานะมาตั้งโรงพานบางคนอาจจะมาสายก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้อิ่นท้องแนะ่เพราะว่าตอนเทนะก็มีโรงพานที่จะมาบริการให้กับพวกเรา อินท้อไม่พออินใจด้วยอินใจกพอได้มาทำบุญทำบุญนี่ก็ทำได้มทำหลายวิธีบางคนก็มาถวายเงินบางคนก็มาสละเลี่ยวแรงบางคนก็มาตั้งโรงทาน เวลาเราอิ่มท้องเนี่ยนะเราอิ่มท้องเพราะว่าเรากินอาหารเข้าไปแต่อิ่มใจนี่ไม่เหมือนกันนะอิ่มใจเนี่ยเราอิ่มใจเพราะาเราได้ให้อิ่มท้องเนี่เกิดจากการเป็นผู้รับนะรับอาหารทั่วไปใส่ท้องก็อิม่มแต่อิ่มใจเนี่ยมันเกิดจากการให้เกิดจากการสลั ญาติยโยมที่มาที่นี่แล้วดีใจเพราะว่าได้เป็นผู้ให้นะสลาปัดใจนะสลาสิ่งของนะเป็นเงินส่งทบกระถินเป็นบริวารรวมทั้งสลาดท่าให้เป็นองค์กระถิน่น คนที่มาตั้งโรงทานนะก็อิ่มใจ ท, ทั้งทั้งที่ตื่นแต่เช้านะเรียกว่าตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็ทำนั่นทำนี่อาจจะไม่ได้หยุดเลยแต่มีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ให้นะให้เงินนะให้เวลาสลาแรงกายนะ จะให้แบบไหนก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นความอิ่มใจนะอิ่มท้องอิ่มใจนี่นต่างกันนะเราอิ่มท้องเพราะเรารับเอาอาหารเข้าไปใส่ท้องแต่เราอิ่มใจเพราะเราเป็นผู้สละเป็นผู้ให้นาะยนะที่ยาโยมเนี่ยอิ่มใจเพราะว่าได้มาถวายทานนะให้กับพระ ให้กับสงฆ์การทอดกระถิเนี่ยคือการถวายสังฆทานอย่างหนึ่งญาติยโยมคือเจ้าภาพนะก็มีกำนันวารเดชแล้วก็คุณตุ๊กสุภิดาแล้วก็คณะมิสหายมาถวายผ้าให้กับสงฆ์แล้วสงฆ์ก็ อบรงว่าอาจารย์ม่อให้กับอาจารย์สุรุตนะานการที่ถวายเนี่ยนัคือการบำเพ็ญทางทำแล้วก็มีความสุขการสละแรงกายมาช่วยเป็นจิตอาสามาเป็นญาติธรรมช่วยทำให้การทักถินวันนี้ สำเร็จไดนะ้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะทูจ้าตรัสว่านะบุคคลผู้มีปัญญาปราศจากความตนีย่อมบริจาคหรือให้ทานตามการเมื่อให้ทานแล้วมีจิตเรื่อมสาศรัทธาทานนั้นนะ ย่อมมีผลอันไพยบุญในทา ง, งาเดียวกันญนะาติโยมนะที่มาร่วมอนุมโมทนาหรือมาช่วยผนขวายในบุญกระถิ่นนี้ก็ย่อมได้รับส่วนบุญด้วยใหนะ้บุญในงานกระถินเนี่ยมันทำให้อิ่มใจและอิ่มใจเเพราะว่า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 อย่างญาติโยมก็มาถวายผ้าถวายบริวารด้วยความดื้อใจศรัทธาในสงฆ์อีกหลายคนก็มาตั้งรงทานนะด้วยความเมตตากับผู้ที่มาร่วมงานเพียงแค่ตั้งใจนะอันนี้ก็ได้บุญแล้วนะแล้วก็ได้ลงมือทำนะบุญก็เจริญขึ้นจะตั้งใจจะถวายบริจาค นะได้มาเท่าไหร่นะ น, นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญก็คือจิตที่มีเรื่องความรื่สายศรัทธาจิตที่มีเมตตานะนนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่มาเป็นหัวใจของงานเท่ากฐินเนี่ยนะก็คือการร่วมแรงร่วมใจด้วยด้วยศรัทธาด้วยความเมตตา ความสำเร็จของงานกระถินอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่จานวนเงินบางคนก็เข้าใจผิดนะคิดว่าเนี่ยงานกระถินเนี่ยของฉันเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องมีเงินเยอะๆมาถวายบางทีก็มาอวดวดกันมาแข่งกันว่าเจ้าภาพคนไหนนะหาเงินเข้าวัดได้มากกว่ากันบางคนพอรู้ว่า าหาเงินเข้าวัดได้น้อยกว่าเจ้าภาพอีกวัดหนึ่งเสียใจถ้าเสียใจแบบนี้ก็ทําให้บุญที่ได้เนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะเพราะว่าจิตเนี่ยหม่นหมองแนละ้วจิตไม่ล่าเรื่องเบิกบานะเราไม่แข่งกันเราไม่วัดกันที่จํานวนเงินะเราไม่วัดไม่แข่งกันว่าจะเป็นผ้าเนื้อดีหรือเปล่า บริวารเยอะหรือไมอ่ขอให้มาจากใจครูจ้าตัดว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสูดสำเร็จได้ด้วยใจอาตาก็ถึงได้ใจเนี่ยได้บุญละแม้แต่ไม่มีเงินมาถวายแค่อนุมโมทนาเนี่ยก็ได้มีส่วนแห่งบุญล ะ, อ, ะอย่างที่ได้พูดมาสักครู่นะ อันนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเรามาด้วยจิตที่มีความเรื่องสายศรัทธามีความปราถนาดีมีเมตตาแล้วเนี่ยนะอย่างที่อาจาบอกนะเพียงแค่ตั้งใจและลงมือทำจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญะนะนะได้บุญเหมือนกันนะมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อโตนะสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ พวกเราชาวผู้หลายคนรู้จักดีเพราะว่าอย่างน้อยก็เคยได้ยินครัว่าพระสมเด็จนะพระสมเด็จเนี่ยราคาแพงที่สุดนะก็ถือว่าขาังศักดิ์สิทธิ์นัเนยก็เพราะว่ามาจากการสร้างของหลวงพ่อโตสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์มีวัดหนึ่งท่านก็ไปทอดกระถิ่ที่วัดหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะทายเรือไป ก็คงมีลูกเสียงเนี่ยพายเรือแล้วก็ท่านก็นำองค์ะถินทั้งผ้าทั้งบริวารใส่เรือแล้วก็ไปยังวัดที่ทอดกระถินเพราะว่าวัดไกลอยู่ไกลเนี่ยไปไม่ถึงต้องค้างแรงที่วัดแห่งหนึ่งท่านก็ไปจำวัดที่อุโบสถหรือที่โบดนะส่วนเรือนี่ก็จอดนะทิ้งเอาไวน้นะตรงท่าน้ำ พอกเลยวามีคนมาขโมยไงคนมายกเท้าเอาเครื่องเอาองค์กินอ่ะบริวารไปมลเลยนะบอกว่าโตแทนนี่เสียใจไนะ่นท่านดีใจนอเสียจแล้วท่านก็เลยถ่ายเรือกลับชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโตก็เลยถามว่าทอดกฐินเสร็จแล้วเหร อ, อท่านตอบว่าทอดกฐินเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ขากลับก็ ซื้อหม้อไปจากชาวบ้านชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโตซื้อหม้อก็จะไปแทงหวยหมอมาก็ถูกนะแต่ว่าที่จะพูดตรงนี้ไม่ได้พูดเรื่องหวยนะพูดตรงที่ว่าหลวงพ่อโตเนี่ยนะพอของกระถินเนี่ยถูกโจนขโมยไปเนี่ยถ้าไม่เสียใจถึงแม้ท่านตั้งใจว่าจะไปทอดกรถินที่วัดนั้น่นะ แต่ว่ามันไม่มีอะไรจะทอดแล้วท่านก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าท่านได้ตั้งใจแล้วก็ทําแล้วนะแต่มันไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรท่านปล่อยวางได้นะไม่สําเร็จตามที่ตั้งใจท่านก็ไม่ทุกข์นะแล้วท่านก็ถือว่าข้ากรถิแล้วท่านตอบชาวบ้านว่าข้ากรถินเสร็จแล้วจ้าไอ้องกระถิเนี่ยแล้วบริวารเนี่ยไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงมือพระเลยนะมันไปตกเป็นของ จนไปแล้วนะแต่ท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านถือว่าตั้งใจแล้วแล้วก็ทำแล้วมันจะไปถึงพระหรือว่ถึงใครก็ก็ช่วยไม่ได้สุดวิสัยท่านก็ไม่ได้เป็นทุกข์นะถือว่าได้ทำแล้วนี่ก็ได้บุญนะถ้าเกิดว่าท่านเสียใจนะโมโหนะที่ไม่ ทำตามที่ไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจนะไม่ได้เอาบริวารเอากระถิ่นไปถวายไปทอดที่วัดเสียใจนะโกรธเนี่ยไม่ได้บูดน้อยนะได้บูดน้อยท่านปล่อยวางได้ไอการปล่อยวางนี่ก็เป็นการสละแบบนึงนะเรามาที่นี่เนี่ยเราจะคิดแต่เพียว่าเออการสละเนี่ย มันทำด้วยด้วย ด, ด้วยการให้ทานนะการปล่อยวางแล้วนะก็เป็นการสลากแบบหนึ่งที่ทำให้อิ่มใจหลายคนนะตั้งใจจะมาทำอาหารถวายพระนำจีวรมาถวายจเจ้าอาวาสนะแต่ปรากฏว่าพระไม่ได้ฉันอาหารที่เตรียมไว้ หรือว่าจเจ้าอาวาสไม่ได้คล้องผ้าที่ตูนถวายก็อย่าเสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วและเราก็ทําแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเราได้จับปล่อยวาง น, นะอันนี้เราได้บุญเลยเราจะอิ่มใจเหมือนกันนะแต่บางคนวางใจไม่ถูกนะเอาอาหารมาตั้งใจทําอย่างดีเพื่อมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ฉัน อาจจะเป็นหลวงพ่ออีกแล้วไนงะพอหลวงพ่อไม่ช้ำเนี่ยก็เสียใจไงอันนี้แสดงว่ายังไม่ปล่อยวางนะยังยึดติดถือมัน่นนะยึดติดถือมั่นในความตั้งใจยึดติดถือมั่นว่าเป็นอาหารของช้ำหลวงพ่อถวายหลวงพ่อไปแล้วก็เป็นของหลวงพ่ อ, อ, พอไม่ใช่ของเราท่านจะชนำไม่ช้นะก็เป็นเรื่องของท่านนะ ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าเราถวายให้เป็นของท่านไปแล้วจะเป็นอาหารเป็นจีวรเท่าไบางคนอาจารตั้งใจมาทอดกะถินก็เตรียมผ้าเตรียมอุปกรณ์เตรียมสัมภารเตรียมบริขารมานะแต่แล้วเกิดลดเสียมาไม่ถึงวัดนะก็อย่าเสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเราทำแล้วนะแต่มันไม่สาเร็จ นะมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจให้ถือว่าเราได้ทำแล้วเหมือนกับที่หลวงพ่อโตว่าทอเสร็จแล้ว่อเสร็จแล้วให้ระวังใจเราเนี่ยคือรู้จักปล่อยวาง <c oughs> อะไรที่ทำดีแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะก็จะไปทุกข์แต่ที่ทุกข่อะไรก็ยังยึดติดถือมั่นกับความตั้งใจนั้น ยึดติดถือว่าเป็ความคาดหวังพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังทุกเลยคนราทุกเพราะความคาดหวังเยอะนะบางทีเูแลพ่อแม่ก็อยากจะให้ท่านงดอาหารบางอย่างอยากจะให้พ่องดบุหรี่อยากจะให้แม่นิงงดของหวานงดข้าเหเนียวธูเย็นเพราะว่าแม่เป็นเบาหวานนะหรือว่างดข้าวขาหมูเพราะว่าเป็นโรคหัวใจไง แต่แม่ก็แอบกินนะก็เสียใจนะเสียใจยังไม่พอโกรธ ด, ด้วยเพราะว่าแม่ไม่เป็นไปอย่างที่ท่านหวังก็เลยต่อว่าแม่แม่ก็เสียใจตัวลูกก็เสียใจนะว่าทําไมเราถึงพูดไม่ดีกับแม่ทําไมเราพูดไม่ดีกับพ่อก็เลยเครียดนอไม่หลับพอนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็จิตใจไม่ผ่องใส มดหงิด ง, ง่ายพอพ่อแม่ทําอะไรไม่ถูกใจก็ว่าอยู่ได้นะกลายเป็นว่ายิ่งดูแลพ่อแม่ยินทุกข์นะี่นี่เพราะว่าไม่รู้จักปล่อยวางนะปรารถนาดีเกินไปแล้วก็อยากจะให้ท่านเป็นไปอย่างที่เราคาดหวับบงตั้งที่ความคาดหวับบงได้เป็นของดีเป็นความปรารถนาดีแต่พอไปคาดพอไปยึดติดถรือมั่นมันทุกข์นะมันทุกข์ แล้วก็เลยสร้างความเดือนร้อนทั้งกับเจ้าตัวแล้วก็คนที่เรารักคือพ่อแม่บางทีก็เป็นลูกนะความหอิ่มใจอย่างที่ตาบอสอนนะั้นมันเกิดจากการที่เรารู้จักสลันะแล้วก็ไม่ใช่แค่สละสินของสละเงินนะบางทีก็ต้องปล่อยวางนะสิ่งที่เราตั้งใจในเมื่อเราทําเต็มที่แล้วเราเจตนาดีเราพยายามแล้วแต่ว่ามันไปไม่ถึงนะก็ไม่ทุก เนะนี่เวลาเราทำดีเนี่ยนะมาทำบุญเนี่ยต้องต้องวางใจแบบนี้ให้เป็นนะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้นะแต่ขอให้ทำก่อนนะขอให้ทำก่อนไม่ใช่ปล่อยวางแล้วไม่ทำเลยนะอันนี้ไม่ถูกนะทำแล้วนะเออมันได้มันไปได้ไม่ถึงเป้าก็ไม่ทุกข์ มันทีตั้งใจว่าจะหาเงินเข้าวัดแสนนึง่มันได้แค่ห้าหมบานอ่าก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วเราพยายามทำแล้วนะแล้วมันไม่ได้างที่ตั้งใจนะก็ถือว่าได้ทำบุญเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่บอกนะบุญจะมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินไม่ได้อยู่ที่ของบริวารว่ามากหรือน้อยนะ บริวารเนี่ยก็หมายถึงเงินและก็สิ่งของเนี่ยเป็นที่กออยู่เนี่ยในเรื่องบริวารแต่ว่าประธานจริงนะคือท่าขนาด่าทะผูนเดือนนั่นแหละเป็นประธานหรือเป็นอรค์ตถินที่เหลือเป็นบริวารได้บริวาร น, น้อยก็ไม่เป็นไปตามเป้าเราไม่ทุกนะเวลาเดินทางอยากจะมาถึงแปดโมงแต่รถติดนะก็ไม่ทุกนะ ไม่ใช่รถติดต้องหนุนหงิดนะปล่อยให้ติดปกนะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วมันก็ได้แค่นี้แหละแทนที่จะถึงแปดโงก็อาถึงแปดโมงครึ่งคเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรตอนนี้เนี่ยพอพอพอเราพุ่แล้วนะพอเราหนุนหงิดแล้วนะะพอเราโปรดแล้วนะหรือเสียใจเนี่ย ก็ยังไม่สายนะที่เราจะปล่อยวางปล่อยอะไรนะก็ปล่อยวางความเสียใจนี่แหละปล่อยวางความหมุนหิบนี่แหละทีแรกเราไม่ได้ปล่อยวางความตั้งใจนะมันมันไม่เป็นแปลงที่เราตั้งใจนะเราก็เสียใจเราก็โกรธล้วก็ขุนเคืองแเราก็หมุนหิบนะแต่ก็ยังไม่สายนะที่จะปล่อยวางให้อารมณ์เหล่านั้นแล้วถ้าเราปล่อยวางได้ในใจจะสบาย ใจจะเย็นใจจะเบานะทําปุ่นเนี่ยถ้าทำปุ่นได้ใจที่มันยึดติดถือมั่นเนี่ยนะใจมันหนักนะมันนี้ขุ่นเคืองบางทีเรามาตั้งโรงคาเราก็อยากได้ทำาลดีๆนะพอได้ทนเลที่ไม่ดีนะไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะก็ขุ่นเคืองนะหงุดหงิดนะก็ให้มีสตินะรู้ทันใจที่มันหงุดหงิดนะ แล้วก็วางมาลงซะเพราะเราจะได้ทําเลตรงไหนนะถ้าเราทําอย่างสุดฝีมืออาหารก็อร่อยเหมือนเดิมไงไม่ใช่ว่าย้ายทําเลแล้วเนี่ยอาหารมันจะไม่อร่อยอย่างเหมือนเดิมไงอันเนี้ยแต่ถึงอร่อยไม่อร่อยนะตั้งใจทําแล้วเนี่ยก็ได้บุญทั้งนั้นแหละเดี๋ยวไปคิดว่าอาหารฉันไม่อร่อยสู้อีกอีกรงทางําไม่ได้เออ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 ยิ่กว่าผมแหงอย่างอื่นนะธรรมดาคนเราไม่เอาผมแหงเงินนะเราหัวเงินแต่หลายคนเนี่ยไม่หัวเงินนะสลาได้สลากเป็นหมื่นเป็นแสน ก, ก็สลากได้จะสลากเป็นล้านนะเพื่อช่วยวัดสงเคราะห์ศาสนาอุปถัมภ์พระสงฆ์หรือช่วยเหลือบรรดาคนจนทําได้ได้คิดเลยนะไม่ลังเลเลย ให้ทันทีแต่กับความโกรธความเศร้าความหนุ่ยเห็นนะมันให้มันสลับยากสลับเย็นเหลือเกินสังเกตไหมคนที่ใจขุนเนี่ยนะคนที่ใจดีเนี่ยเวลาสลาับเงินทองสลับง่าย น, นะแต่เวลาจะสลับหรือปล่อยวางความเศร้าความโศกความเสียใจนี่มันยากเหลือเกินแล้วก็หวงนี่นะหวงด้วยไม่ยอมปล่อย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 เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนลคุณนะทรยศคุณยายอุตสาช่วยเขาก็ไปสมรนบุญ ค, คุณแล้วก็เอาเปลี่ยนกันแกล้งคุณยายก็โกรธนะเวลาพูดถึงก็จะเหมือนกับเป็นคนละคนเลยนะหน้าตาก็ดู ด, ดันนะลูกสาวเนี่ยนะก็เป็นห่วงแม่ แม่โกรธแบบนี้เนี่ยนะมากๆนี่เดี๋ยวจะป่วยนะความดันแล้วก็ที่หย่างคือ ถ, ถ้าตายไปด้วยใจที่ยังมีอากาพพยาบาทเนี่ยมันจะไปไม่ดีนะลูกสาวก็พยายามขอร้องว่าแม่ให้อภัยก็ไปเธอเอาหสิให้อโหสิกรรมไปเธอเรื่องมันก็ผ่านมาสามสิบปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดนะสามสิบปีแล้วนะ คุณยายไม่ยอมนะคุณยายแนฉ่งโกรธลูกสาวยู่ว่ามานันแนะนําอะไรคุณยายกลัวลูกสาวเหมือนกับว่าลูกสาวเนี่ยกาลังจะมาแย่งชิงของรักของห่วงจากแม่ไปไอความโกรธที่มันเป็นสิ่งที่ควรรักควรหวงควรแฉ่งที่ไหนเนี่เออถ้าลูกสาวมาขอที่ดินนะลูกสาวมาขอเพช้ดินจินดานี่หวงไว้ไม่ยอมให้นี่ออนพอจะเข้าใจได้ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ดีเนี่ยนะเป็นจริงจริงดาเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะลูกมนันแนะนําให้แม่ให้อภัยแต่ไม่โกรธแม่ก็โกรธลูกหวงความโกรธเอาไว้หวงความพยาบาทนะเราถามใจเราดิ้ชว่าความโกรธมันน่าหวงไหม แล้วทําไมถึงเก็บเอาไว้ทำไมถึงยึดเอาไว้ทำไมถึงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมสลนะคุณยายคนนี้แกก็เวลาจะบริจาคเงินนะช่วยคนยากคนจนนะผมแกให้ไม่คิดเลยนะไม่ต้องลังเลไม่มีความรังเลสงสัยเลยนะแต่พอจะให้ปล่อยความโกรธที่ไม่ยอมแล้วเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะความเศร้าเหมือนกันนะเวลาเศร้านี่ก็ห่วงเนึกเกิน นะอยากจะหวงไม่อยากจะปล่อยความเศร้าเพื่อนมาชวนให้เพื่อนมาชวนให้ไ ป, ไปเที่ยวที่มน่นที่นี่บ้างเพราะว่าเห็นใจสงสารที่สูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่เจ้าตัวไม่ยอมไปจะขอนั่งเจ้าจุกอยู่ความเศร้าเวลาเปิดเพลงก็เปิดเพลงอะไรไม่ได้เปิดเพลงสนกุกนักเปิดเพลงเศร้านี่แปลว่าอะไรครัหวงแหงความเศร้า นันคนเราที่แปลงนะนัานั้องพี่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองอ่าแต่ว่าหวงแขนความความโกรธนะหวงแขนความเศร้าเก็บเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางธรรมชาติคนที่รักตัวเองนะเวลาใจทุกข์ก็มันต้องยอมและต้องยินดีที่จะปล่อยถ้าทุกข์เพราะเศร้าก็ต้องเต็มใจคนขวาที่จะปล่อยวางความเศร้าถ้าทุกข์เพราะโกรธก็เต็มใจที่จะปล่อยวางความโกรธหรือความเกลียดก็เหมือนกันนะ เวลาเกลียดใครเนี่ยนะมันเหมือนกับมีที่ปลียดแทงใจแต่หลายคนนะเกลียดผู้แห่งความเกลียดนะเกลียดคนอื่นจนลืมรักตัวเองนะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเกลียดคนอื่นเกลียดจนกระทั่งลืมรักตัวเองทำไมทีบอกว่าลืมรักตัวเองเพราะว่าถ้ารักตัวเองเนี่ยต้อง ก็ต้องสละต้องปล่อยต้องวางความเกลียดเพราะความเกลียดนี่มันเปลียดแทงใจกลายเป็นว่าเรารับความโกรธเรารับความเศร้าเรารับความเกลียดมากกว่ารักตัวเองนะเราจึงหวแข็งเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะกลับมาตั้งสติให้ดีนะเวลาเราโกรธใครเมื่อไหร่ก็ร่ว่านี่เราพํายามทำร้ายตัวเองน ะ, ะเต็มใจที่จะปล่อยที่จะวาง เวลาเศร้าเนี่ก็อย่าไปเก็บมันเอาไวนะ้ปล่อยวางซะเวลาเกลียดใคยก็อย่าไปผวงแหนความเกลียดนะต้องสลับมันออกไปใไหนเราก็เก่งในเรื่องการสลับเงินทองเพื่อบริจาคเป็นทานแล้วนะสลับแรงงานเพื่อช่วยเหลือคนสงเพราะห์ศาสนาวัดวาอารามแล้วก็ต้องไปให้ถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งนะก็คือสลับนะความโกรธความเศร้าวความเกลียด นะความนื้อยเนื้อต่างใจความรู้สึกทิ้นเนี่ยไอ้พวกนี้ น, นี่ไม่ได้รักไม่ได้หวงแหนเลยจะทําไมเป็นรักนั่นก็ไม่รู้นะอันนี้เพราะหลงเพราะลืมตัวนะนอย่างที่อาตมาบอกนะอิ่มอิ่มท้องเพราะกินอาหารนะอิ่มใจเพราะสลัดอันนี้ก็ไม่ได้สลัดไม่ได้สละใคนอยงเดียวนะมาถึงสละหรือปล่อยวางความโกรธความเกลียดความเศร้าความอาฆาตพยาบาทนะด้วย แล้วใจก็จะสบายเวลาทำอะไรนะ้วก็เราตั้งใจแล้วพยายามเต็มที่แล้วมันไม่ไปแปลที่ถ้าตั้งใจก็ไม่เป็นไรถนะือว่ามันสุขวิสัยเหตุปจัจจัยเท่านั้นเท่านั้นอย่าไปยึดติดถึงมากความตั้งใจมากนะแต่ว่าถ้าอยากจะทำใหม่ให้สําเร็จอ่าก็ทำได้อย่างพวกเราเนี่ยนะชาว บ, บ้านตาดินทอนี่ก็ปลูกป่ากันมาเันสปีแล้ว ตั้งใจให้ป่าเนี่ยมันให้มันให้มันเต็มพื้นที่แล้ววันดีคืนดีไฟก็ไม่ใหญ่เนะันก็ไม่เป็นประหยันที่ตั้งใจนะแต่ก็ไม่ทุกน ะ, ะเราก็เริ่มใหม่ทีนี้เราก็เริ่มปลูกป่ากันใหม่ปลูกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าไฟมาอีกเผาอีกอไม่เป็นไรนะเราก็ทำใหม่เรื่อยไปนะ ทำเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียสนะทาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสหรือว่าทําเต็มที่แต่รู้จักปล่อยรู้จักวางนะแต่อย่าเพิ่งปล่อยวางโดยที่ไม่ได้ทำไม่ทันทำอะไรเลยนะไม่ทันทำแล้วก็ปล่อยวา ง, อยางนี่ไม่ถูกนะมันต้องทําก่อนนะเหมือนอย่างหลวงพ่อโตทีาก็เตรียมองค์กฐินเ ต, เตรียมบริหารมาเต็มที่นะแต่ไปไม่ถึงก็ไม่ทุกนะก็กลับแนคะ่นั้นเองถือว่าทอดกินเสร็จแล้วนะแต่ไม่ได้ทอดให้ ไอ้ปลาจะชอบให้ขโมยนะเป็นไรนะเอาแล้วนะก็ขอโมนะทนาเนี่ยทางท่านเจ้าภาพนะก็ที่มาที่มาอุปถัมภ์ทางวัดวารามาโดยตลอดแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพผู้จัดการทอากระถิ่ติดต่อต่อเนื่องมาหลายปีรดมทั้งญาติโยมที่มาร่วมบริจาคนะรวมสมทบปรป้องกระถิแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทานนะมาให้อาหาร สมเพาอผู้ที่มาร่วมงานตลอจนญาติโย ม, มทีนะ่มาแต่ตัวแต่ไม่ได้ตัวเปล่ามาด้วยใจนะก็เทียงแค่อนุมโมทนาเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะอย่างที่พระจะสวดในเวลาสักครูเนี่ยนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยนะชนเหล่าใดนะที่ร่วมอนุมโมทนาหรือขนไาย ในการทําบุญ น, นี้เนี่ยก็มีส่วนแห่งบุญด้วยผลขวัญคือว่าสละแรงกายเนี่ยไม่ใช่เป็นว่ า, าต้องมาเป็นเจา้าผ้าไม่เป็นว่ า, าต้องถวายเงินท่านั้นให้เรามั่นใจว่าเราทําแล้วก็ได้บุญและบุญ น, นี่แหละนั้นก็จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายทั้งในวันนี้วันหน้าและเมื่อไปสู่กรโลกนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอข อ, ข อ, อ้างคุณพระนนรัตนนาภัย อำนวยวยผลให้ญาติโยมทุกท่านานได้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพาร ะ, ะเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมประกอบกิจด้วยความตั้งใจขณะเดียวกันก็รู้กจับปล่อยวางทำกิจแล้วก็ทำกิดไปพร้อมๆกันเพื่อทำให้เกิดความสงบเย็นและสามารถบักจับบำเพ็ญเพื่อเป็นประโยชน์ต่อาศาสนารวมทั้งได้ บำเพ็ญประพฤตธปฏิบัติธรรมเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมวอยมีปัญญาพาจิงอาจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยการทุกคนเธอจากนี้ก็เตรียมกรวดน้ำอธิ ป, ประกาศอะไรเพิ่มไหม